หลวงพอครับ เ, เวลาเดินจงกรมเนี่ยค่ะเมื่อก่อนจะบริกัมพุทโธไปด้วยแต่ตอนนี้ลองเปลี่ยนดูใหม่่พุทโธเวลาเฉยๆแต่ว่าเวลาเดินก็ดูอิริยาบถอันนี้พอใช้ได้นะคะเดีเราพุทโธเราก็ดูจิตไปแต่ถ้าเราดูกายเราไม่ได้ดูจิตนะเราไม่ต้องพุทโธถ้าพุทโธเดี๋ยวจะไปสมถะเดี๋ยวยว่า ก้าวขาขวาพูดซ้ายโทรอะไรเงี้ยน้าข้างหนึ่งกลายเป็นสมถะดีแล้วมีแรงขึ้นมาจโสงสัยมากต้องไหยก็จะจงใจน้อยกว่าเมื่อวานไปหน่อยนึงครับมันรู้สึกจะสบายขึ้นแต่เมื่อวานช่วงช่วงกลางวันบ่ายๆนี่มันมีโมหะคุมหนักมากเลยค่ะหลวงพ่อก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่เช้ามีทำอะไรไม่ได้หรอกก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลาง เมื่อวานตอนเย็นออกมาเดินข้างนอกมันก็รู้สึกสบายขึ้นนะคะเ mm hmm. ช้านี้ก็ดีขึ้นดีใช่ได้ mm hmm. ตั้ม mm hmm. มีโมหะตัวผู้รู้ไม่เข้าฐานครับใจยังดิน้นมีโมหะไม่ใช่ปัญหาจิตไม่เข้าฐานก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ยอมรับค mm hmm. ือถ้ายอมรับนะใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินไร้กับมันสภาวะอะไรก็ได้เสมอกันหมดเลย วสภาวะทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์เราภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เอาดีถ้าใจเราไม่อยากได้ความจริงอยากบังคับให้ได้จิตมีโมหะไม่อยากมีจิตฟุ้งซ่านไม่อยากฟุ้งอะไรอย่างี้จำรับไม่ได้ใจก็ปรุงแต่งเพราะนั้นให้รู้นะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้สภาวะทุกอย่างแล้วสภาวะก็จะสอนไตรลักษณ์ ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันเกิดสภาวะที่ดีเพื่อหนีสภาวะที่เลวสภาวะทั้งหลายนะมันก็เป็นผลมีเหตุให้เกิดย่มีเหตุของโทสะโทสะก็เกิดมีเหตุของโลภะโลภะก็เกิดมีเหตุของสุขของทุกข์มันก็เกิดออกมาแต่ว่าพอมันเกิดสภาวะแล้วเรารู้ไม่เท่าทันเราก็หลงยินดีนร้ายตัวนี้คือปัญหา เนี่ยให้รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางแต่ไม่แกล้งเป็นกลางถ้าแกล้งเป็นกลางก็คือแทรกแซงอีกแล้วยินดียินไล่เอาเก่งวันนี้สี่คนภาวนาดีนะได้มาสี่คนละเอาเงดี <c oughs> งงนะครับงงว่าภาวนาดีไม่ครับคืองงว่ารู้สึกว่าแบบ เหมือนใจไม่ยอมรับอะครับอืมรู้สึกว่าแบบอยากให้ดีแต่แต่บางทีก็แบบสึกเหนื่อยเหน่อยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนว่าที่ทํามารู้สึกสงสัยว่าถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือใจเนี่ยมันโดยธรรมชาติไม่ยอมรับหรอกเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะรักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะงั้นจะให้มันยอมรับเนะี่ยไม่มีทางแต่ว่าพอเราเห็นความจริงมากเข้ามากเข้ารู้สึกไหมตอนนี้ยมันคล้ายๆมันถอดใจไปหน่อยลนะ้ รู้สึกไหมว่ามันถอดใจครับ <laughs> มันดีตรงนี้แหละเรียกว่าสู้จนหลังชนกําแพงแล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้วมันดีตรงนั้นแหละพอมันมันถอดใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะมันก็ไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันก็แค่รู้เท่านั้นเองต้อมไม่ชนกําแพงนะตามอย่างดิ้นไม่เลิอกอันนี้เก่งแบบ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนปัญญาตรงที่จนปัญญานั่นแหละดีสู้เต็มที่แล้วก็จนปัญญานะไม่ใช่อยู่ๆพอฟังหลวงพ่อพูดแล้วอะฉันจนปัญญาละอย่างนี้กรรมฐานตอหลดตอนแห ล, ลใช้ไม่ได้นะเนี่ยใจเรามันอดไม่ได้ไมันต้องสู้สู้สู้สู้สู่กระทั่งโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าเมื่อไหร่ใจหมดแรงสู้นะใจยอม เหมือนนักเลงวิ่งมาชกเราเราสู้ไม่ไหวแล้วไ ม, ไม่รู้จะปิดยังไงแล้วนะเอยากชกก็ชกไปอะไรอย่างเงี้ยใจก็ไม่ดิ้นรนตนระงนั้าใจจะไม่ปรุงแต่งดีแต่พอหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะมันจะเกิดแรงสู้ขึ้นมาอีกเริ่มเกิดแล้วแัน้นต้องสู้สู้จนกระทั่งหมดปัญญาอย่างแท้จริงหมดสติหมดปัญญาแล้วรู้อยู่เฉพาะหน้า ทำอะไรไม่ได้เลยรูอย่างนี้มาผลถึงจะเกิดขึ้นตรงที่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะอดทนอดกลั้นมีขันติอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ะช่างมันถูกมันก็ททำย่ำยีก็ช่างมันองค์ธรรม อ, อ, องค์ธรรมของมันเหลือแต่ขันติแต่พอทนไปนานๆแล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทนเท่าไหรแต่มันยังยังยัง คิดจะสู้นะมีสภาวธรรมอยู่วันหนึ่งมีองค์ธรรมคือขันติเรียกว่าอนุโลมญาณอนุโลมญาณเนี่ยถัดจากอนุโลมญาณเกิดโคตรภูญาณเกิดมัรคญาณผลญาณตรงนี้เกิดต่อกันน่ะงั้นใจเรายังไม่ได้ยอมอย่างร้อยเซถ้าใจยอมอย่าง 100% ยเซใจก็จะยอมรับสัจจะยอมรับความจริงขันนี้เป็นทุกข์ล้วน ขันนี้อยู่นอกเหนือการบังคับทำอะไรไม่ได้เลยใจยอมรับตรงนี้ใจก็จะวางขันขันเป็นไงก็ช่างมันนะตรงใจที่ปล่อยขันทิ้งตรงนี้เรียกโคตรภูยานนี่เป็นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทุกทุกองเดินเพราะค่ะตอนรอแรกๆมันมีโมหะค่ะแล้วมันก็มีสุขด้วยรวมกันฟุงฟ้งๆนะคะ พอหลวงพ่อบอกสี่คนนี้ดีปุ๊บอุ้ยลูกขึ้นมาดิ้นเลยครับหลวงพ่อบอกด้วยเจตนามันก<ม>็กะ แ, <ต>แลวมัโดนแกล้งแน่นอนเลยปเลูกขึ้นมาดิ้นอย่างยรแบบไม่ยอมหยุดจนฟังหลวงพ่อเท้ไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆลงอืแน่แหละดีจงใจนะจงใจบอกว่าสี่คนดีขอบครบดีแล้วเดเอาไว้ดูไม่งั้นมันซึมไป พอบอกสี่คนดีตรงนี้เหี่ยวไปหน่อยอ ย, ยังดีดดนะเหี่ยวอะ่ะบันคนอิจฉามันอยากดีใครอิจฉาสารภาพมาพี่มไหมมีแค่นี้ครมีแค่นี้คะจิตเป็นไงวันนี้มันก็มีกดๆแต่มันก็เป็นกลางมันมันไม่เป็นกลางทีเดียวมันกดแต่มันไม่ดิ้นมากถ้าเป็นกลางมันจะไม่กด คือถ้าเป็นกลางอย่างแท้จริงนะจิตจะไม่สร้างภพสร้างชาติคือไม่กระทํากรรมใดๆทั้งสิน้นถ้าจิตกระทํากรรมขึ้นมาได้ก็แสดงว่าต้องมีตันหาแทรกอยู่ต้องมียินดียินร้ายแทรกเหมือนแต่มันไม่ค่อยดิน้นใช่ไหมเมนี่ยมันไม่ค่อยดิน้นไม่ดิ้นดีแต่ว่าไม่ดิน้นไม่เหมือนกันนี่ไม่ดิ้นเพราะหมดแรงดิน้นหมดแรงดิ้นชั่วคราวนะเดี๋ยวก็จะเริ่มดิ้นขึ้นมาอีกเหมือนต้องสู้อย่างนั้นแหละ สู้ๆไปนึกว่าทางนี้เป็นทางรอดน ะ, ะทางทําแทบตายเลยเสร็จแล้วโอ้ไม่สําเร็จอีกแล้เสื่อมไปอีกแล้วเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อางนีน้จนมันหมดแรงดิ้นจริงๆนะมันเหมือนเราโดนศัตรูไล่จนจ น, จนตรอบอสู้ก็สู้ไม่ได้แล้วนะหนีก็หนีไม่ได้ถึงจุดนั้นเลยยังสู้ได้ก็ยังหานสู้ยังหนีได้ก็ยังพยายามหนีอยู่อ่ะแล้วผมไม่ดิ้นพรอะไรเพรากดไว้เหรอะอะไรนะ หลวงพ่อบอกไม่เหมือนกันนี้ไม่ไ ม, ม่มันดิ้นน้อยน้อยลงวันนี้มันมีสติมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันกดเอาไว้ใช่ไ้ยไม่ใช่เอกด ก, ก็ส่วนกดนะแต่ว่าใจวันนี้มันไม่ดิน้นครับนสัส ก, การหลวงพ่อครับผมอยู่ที่ชัยภูมิครับแล้วก็มาครั้งที่นี่เป็นครั้งที่สองครับแล้วก็ครั้งแรกนี้ผมปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนมาสามปีมหลังจากนั้นก็ รู้ธรรมะของหลวงพ่อจากซีดีครับก็ปฏิบัติมาอีก2ปีประมาณ2ปีได้จิตคุณคราวนี้กับข้าก่อนไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมครับดีแล้วนะใจมันค่อยตื่นแล้วโดยธรรมชาติแล้วในโลกนี้ไม่มีคนตื่นครั บ, รบมีแต่จิตที่หลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนคิดตอนหลับเ็าเรียกว่าฝันตื่นขึ้นมาก็คิดอีกอยู่แต่ในโลกของความคิดครับ พอเรารู้จักสภาวะที่จิตไหลไปคิดแล้วจิตก็ตื่นขึ้นมาครับหลวงพ่อเตียนถึงสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางของการปฏิบัติอยู่ชัยภูมิไม่ต้องมานี่นะหลวงพ่อคําเขียนนะ่ะดีครับหลวงพ่อคําเขียนก็ดีที่สุดองค์หนึ่งขอบคุณหลวงพ่อครับแต่ใช้ได้แล้วนะดีรู้สึกไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกหลวงพ่อเตียนสอนอย่างนี้สายหลวงพ่อเตียนรุ่นหลังลเริ่มเพี้ยน ส่งคําสอนของครูบาอาจารย์ไว้ไม่อยู่ความจริงไม่อยากแค่คํานี้หรอกแต่ว่าสายนี้พูดได้ถ้าสายนี้ใจกว้าง <c oughs> ในความเป็นจริงก็คือแต่ละแห่งนะแทบจะส่งคําสอนของครูบาอาจารย์ไว้ไม่ได้เหมือนๆกันเลยมันเพี้ยนไปหมดอนะ่ะอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนสอนให้มีผู้รู้มีแต่ความรู้สึกตัวมีสติมีผู้รู้ใช่ไหมหลังๆพูดแต่เรื่องนิมิตมันตกต่ําลง หลงพเทียนสอนให้รู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรุ่นหลังๆสอนให้เพ่งมีการมาสอนด้วยนะเบื้องต้นต้องเพ่งส่มือไว้ก่อนเพ่งไว้ก่อนเก่งกว่าครูบาอาจารย์เดี๋ยวล้วเลยไปไม่ไหวใจถึงถึงนะเรียนธรรมะใจถึงถึงอะไรก็ได้สภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียว ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกจิตหนีไปคิดรู้สึกจิตนี้ไปคิดรู้สึกในีหลวงพ่อเตียนบอกได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติทําไมได้ต้นทางเพราะจิตจะตื่นขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดก็คือจิตมันฝันไปนั่นเองไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติเมื่อจิตไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติจิตไม่สามารถรู้กายรู้ใจที่เป็นอารมณ์ปรมัต a t ได้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 แล้วเราจะเห็นเลจิตที่ขยับไปคิดตะกี้นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วจิตที่รู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับหรือพอเรารู้สึกตัวเนี่ยสติะระลึกรู้ร่างกายร่างกายเกิดขยับสติะระลึกขึ้นได้เองโดยไม่ได้จงใจะระลึกจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก งั้นเรียนกับหลวงพ่อนะอดทนจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดสติแท้ๆเรียกว่าสัมมาสติเกิดขึ้นมานะเราจะเกิดปัญญาทันทีเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่สิ่งบางสงิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งมันเกิดปัญญารวบยอดขึ้นมารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย ปัญญารวบยอดอันนี้เป็นปัญญาในระดับของพระโสดาบันเบื้องต้นเรายังไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเบื้องต้นเราจะเห็นว่าความเผลอกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดับความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดแล้วดับสุขทุกข์ดีชั่วอะไรทั้งหลายนะเกิดแล้วดับความว่างๆเกิดแล้วก็ดับความฟุ้งวุ่นวายเกิดแล้วก็ดับเห็นแต่ละอันแต่ละอันเกิดดับเกิดดับเกิดดับซ้ําแล้วซ้ําอีก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 ไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้หลวงพ่อครับการบรรลุธรรมเนี่ยเราทราบด้วยตัวเราเองหรือว่าต้อง<ร>ให้อาจารย์เป็นคนทราบด้วยตัวเองแต่ว่าความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ทราบผิดผิดนะ่ะเพราะว่าผมฟังซีดีของนั่งภาวนาแล้ววูบหมดสตินะตื่นขึ้นมาแล้วบอกบรรลุเนี่ยน่ากลัวครับเพราะว่าเท่าที่ฟังซีดีของหลวงพ่อก็คือว่า หลายคนบอกว่ารู้สึกตัวหรือว่าประลุทำแต่ว่าพอมาหาหลวงพ่อก็หลวงพ่อมักจะบอกว่าเข้าใจผิดคือไม่ได้รู้สึกตัวจริงหรือว่อะไรกันมององ อ, อ, องไม่จริงรหรอกในโลกหาคนรู้สึกตัวยากนะเขาคดณนะคราวนี้รู้สึกเตาก่อนยังไม่รู้สึกเลยครับรู้สึกไหมมันมีความแตกตา่างครับมันคล้ายๆเรายังไม่เคยเห็นของจริงเราไม่เคยเห็นของจริงนะเราก็รู้สึกเอาเองว่าอันนี้น่าจะใช่อันนี้น่าจะใช่มันอยากใช่ ใครๆก็อยากเป็นพระริยะนะพออยากเป็นก็เกิดอะไรแปลกๆกนะ็อ้าใช่แล้วล่ะบางคน น, ะนั่งวูบๆไปสีทีเป็นพระลหันแล้วนะแล้วก็น้อมใจให้อยู่ในความว่างนี่ว่างแล้วจิตเข้าถึงความว่างแล้วว่างแบบอนาถานะอย่างนั้นอนะว่างแบบบางวันก็ว่างบางวันก็ไม่ว่างมีนักคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพระระหารันีเพื่อนคุณเองอะเป็นพระระหารันผู้หญิงวันดีคืนดีก็ตบกับสามี บตอบเป็นกริยาน่มีกริยาตบด้วยสรุปว่าผมไม่ต้องมาหาอาจารย์อีกไม่ต้องมาส่งการบ้านอาจารย์อีกแล้วใช่ไหมครับหรือว่าไปฝึกที่โนนเลยใช่ไหมครับที่หลวงพ่อเขียนแต่คุณได้สติตัวแท้ๆแล้วคุณไปฝึกเอานะครับมีเวลามีโอกาสจริงๆก็แวะเวียนมาบ้างก็ได้ครับสักสามเดือนสเดือนจะแวะมาได้ได้คือ คนที่บอกว่าไม่ต้องมานะก็ต้องโสดาขึ้นไปอะ่ะวันนี้แถวหน้าใช้ได้นะดีวันนี้ก็ดีเบอร์สี่สิบสองเบอร์สิบก็ดีคือรู้สึกว่าบางครั้งเวลาเรามีความโกรธนะครับก็จะบางทีก็เห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ว่าคือตอนที่ตอนที่เห็นเนี่ย มันไม่ได้ไปพิจารณาว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่เราขวนมาคิดทีหลังว่าเอาเอตรงนั้นมันเกิดดับเกิดดับบางท <c oughs> ีก็ไม่แน่ใจเอ๊ะของจริงหรือเปล่าแต่ก็ไปรู้ทันความไม่แน่ใจเข้าไปต ร, ตรงที่เห็นเกิดดับนั่นแหละของจริงตรงที่คิดว่าเกิดดับนี้ฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตรู้กับเวลาที่เรารู้เนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่มาสรุปเนี่ยเรารู้นะตรงที่จิตมันเห็นนะจิตมันเห็นเอง มันไม่บอกมันไม่ไมบอกอ ม, บมันไม่บอกหรอกมันไม่มานั่งบรรยายนะเนี่ย น, นี่เห็นไหมรูปปรากฏแล้วรูปก็ดับนามปรากฏแล้วนามก็ดับมันไม่พูดหรอกมันเห็นแต่สภาวะที่เลื่อนไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนั้นถึงจะใช้ได้แล้วก็คือบางทีเวลาเห็นความโกรธเนี่ยน้อยครั้ง ค, คือบางทบางทีแต่น้อยครั้งมากที่จะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งหนึ่งแล้วมันมีตัวเราอีกตัวหนึ่งที่ไปยินร้ายกับความโกรธนั้นแต่ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วประมาณโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพอไปรู้มันจะเป็นเราโกรธมากกว่าอื <S <S แต่ละที่บ่อยที่สุดก็คือความคิดนะครับคือความคิดนี่เป็นสิ่งที่ไปรู้ได้เป็นเผลอไปคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้บ่อยที่สุดแล้วก็แต่แต่ไม่เคยไม่เคยแยกได้คือคือจะเป็นแบบว่าเราคิด ไ ป, ไปรู้แค่ว่าเราคิดตลอดลงไปคิดอะไรอย่างนี้การที่เราเห็นว่ายังมีเราโกโรธมีเราคิดนะก็เห็นถูกต้องแล้วแล้วตอนนี้ยังมีอยู่สักยัตที่ดียังไม่ขาดถ้าได้โสดาแล้วจะไม่เห็นมีเราอีกละตอนนี้บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีใช่ครับบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเมื่อ ไ, ไรที่หลงไปในโลกของความคิดแม้แต่ความเป็นเราก็เกิดเมื่อไรรู้แล้วจบลงที่รู้ความเป็นเราก็ไม่มี เราเห็นที่ท่านบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ต้องไปทราบเรื่องที่คิดแต่ว่ามันคิดไปแล้วนิดนึงอ่ะมันบอกว่ามันแล้วพอไปรู้ว่าจิตคิดมันประมาณว่ามันมันก็เหมือนกับเรื่องที่ทราบมามันก็รู้ไปแล้วอย่างนี้ไม่ห้ามไม่ห้ามหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าไม่ให้รู้เรื่องที่คิดนะถ้าเราไม่รู้เรื่องที่คิดเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยคุยกับใครก็ไม่ได้แต่ว่าอย่าไปใส่ใจถ้าเราจะทํำวิปัสสนาเนี่ยให้รู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดไม่อัศจรรย์ใครๆก็รู้ แต่การที่จะรู้ว่าจิตคิดนี่มีนับตัวได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็พอดีเมื่อวานมีกัลยาณมิตรเตือนมาว่าผมปฏิบัติแบบว่าเหมือนกับจะเอามากไปหน่อยแล้วเขาบอกว่าผมมาจริงๆเราปฏิบัติเพื่อควรจะละไม่ใช่เพื่อควรจะละไม่ใช่ควรจะเอาเราก็ไม่ละหรอกนะละก็เป็นหน้าที่ของปัญญามันละของมันเองคือนั่นแหละครับคือเขาก็หมายความว่าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ก็คือก็เลยแบบว่า คือถ้ายังไงเราก็ดูนะถ้าเราปฏิบัติเพื่อเอาเนี่ยใจมันจะเล่าร้อนมันจะเล่าร้อนมันจะดิ้นรนมันจะปรุงแต่งเนว่ามันมีกูกกุ จ, จกัสมีกิเลสอีกตัวนะมันเล่าร้อนใจเมื่อไหร่จะได้เมื่อไรจะไ ด, ไะไดไ้ให้เรารู้ทันลงไปอีกเขาบอกให้ก็ดีละก็ถ้าเกิดสมมติว่าแบบท่านเห็นว่าสมควรหลวงพ่อเห็นว่าสมควรยังไงก็ ขบได้ตามเออมันต้องอย่างนี้สิจะได้ตั้งใจถึง <จะ S 1> ถึงอย่างนี้นะจะได้เห็นนะความจริงครับไม่ค่อยอยากได้คําปลอบเท่าไหร่ขนาดเนี้ยรู้สึกไหมจิตเราสร้างพบอันหนึ่งอยู่เราไม่ใช่จิตมนุษย์ธรรมดามันมีความสว่างมีความนิ่งมีความเนียนเนีย น, นรู้สึกไหมคือเวลาเข้ามาในนี้จะบางทีก็จะนิ่งผิดปกติ อ, อบางทีไปอยู่ข้างนอกก็จะมีคนพักเหมือนกันว่าแบบ ซึมผิดปกติหรือไม่ไม่เอาคนนอกทักไม่ได้คนข้างนอกมันหูหนวกตาบอดมันก็ทักส่งเด่นคือบางทีเราก็รู้เอในใจเราก็ตามแบบว่ารู้ดีไม่เห็นเจอแบบว่าอะไรเวลาอยู่ข้างนอกน่ะถูกแล้วอย่าไปเชื่อเขาบางทีเราภาวนานะจิตเราค้นคว้าอยู่ภายในนะบางคนก็ทำไมดูเครียดจังเลย บอกเอ๊ะจิตเราเบิกบานอยู่นะอมันอย่างนั้นแล้วครับตอนนั้นก็เอเออทําไมก็เขาดูไม่เป็นหรือบางทีเราอยู่กับความสงบแล้วบอกว่าเป็นอะไรอะ่ะดูซึมเซ็งเลยชีวิตคงมีปัญหามาก <c oughs> อย่าเอาคำพูดแบบนั้นมาเป็นนิยายหนะ้าตอนนี้นี่ยังโอเคใช่ไหมครับตามความจริงแ ต, แต่ขนาดนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหม อณนนี้ลดระดับลงมาสู่ความเป็นธรรมดามากขึ้นแต่ความผ่องใสลดลงดูออกไหมไม้ mm hmm. รู้ความเปลี่ยนแปลงไป <Okay. S 1> ที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะอย่าไปทำอะไรแปลงๆนะไม mm hmm. ่ใช่ใครพูดอะไรก็เชื่อไปเรื่อยๆครับอ่ะไปเอาคนนี้บอกให้ก่อนคนนี้ก็พอนาใช้ได้เ mm hmm. นี่ยคนนู้นใช้ได้ทั้งแถวเลยหัดไปดูกิเลสตัวเองนะ รู้จักโกรธไหมรู้จักค่ะเออรู้จักโลภไหมรู้จักค่ะเ อ, อรู้จักใจลอยไหมค่ะรู้จักฟุ้งซ่านไหมค่ะหดหูเป็นไหมเป็นค่ะอิจฉาเป็นป่ะเป็นค่ะนั่นแหละไปหัดดูในปัจจุบันนี้อะไรกําลังปรากฏอยู่รู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆนะส่วนของคุณเนะ่ะฟึกนกันเดียวคุณเบอร์สี่สิบสองเหลอไปแล้วรู้ฟึกนกันเดียวพอนะอันอื่นเป็นของแถมตัวหลักเลยก็คือจิตเหลอไปแล้วรู้เหลอไปแล้วฟึกนกันเดียวพอ ไม่ต้องเอาเยอะนะแล้วไงอีกเพราะว่าเป็นคนที่ติดนิสัยชอบเอาชนะตลอ ด, ดบางทีบางทีคิดว่าสิ่งนี้ไม่ไอยากได้แต่ก็เป็นนิสัยของตัวเองข้างในหรว่าทํำอะไรต้องชนะก็ไม่เป็นไรนิสัยเป็นยังไงรู้ลงไปอย่างนั้นไม่สร้างอะไรจอมปลอมขึ้นมาคนจะภาวนาเอามาผลนิพพานเนี่ยนะตัวจริงของเราเป็นยังไงต้องรู้ทันมันหลายคนไปสร้างตัวปลอมนะตัวดูดีดีขึ้นมา ตัวตว ต, วตัวปลอมมันหุ่มตัวจริงอยู่ดูทีไรเห็นแต่ตัวปลอมใช้ไม่ได้หรอกเพราะงั้นเราเป็นตัวร้ายเราก็รู้ไปนะ <c oughs> นั่นแหละดีทำไมหลงงพ่อว่าภาวนาดีหรือไหมเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรรู้สึกไหมไม่ได้ทำอะไรแต่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรนะถ้าทำขึ้นมานะมันก็ไม่ดีละเบอร์สิบทารู้สึกไหมเบอร์สิบมันยังมีการทาอยู่นิดนึงมันเกินจริง เอาไปส่งต่ออย่าไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมานะให้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นตั้งใจมากราบครับไม่ไม่ได้ฝึกมามมแบบไหนเคยฝึกยังไง อ, อ, อยู่กับหลวงปู่แบรนครับโอ้ดูดีแลวดีหนุพ่อฝากกราบท่านด้วยเนาะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านหนุ่มๆหลวงพ่อเคยไปหาท่านเหมือนกัน ไปดอยธรรมเจดีน่ารักดีแล้วมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดองหนึ่งแหละใจเราสงบเรารู้ว่าสงบนะของคุณเพิ่มการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากวัดป่าเรารุ่นหลังๆเนี่ยเสื่อมลงไปไปทำแต่สมาธิพอหมดเวลาทำสมาธิเราทิ้งเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถึงเวลาเราทำความสงบเข้ามา แล้วถ้าจิตติดความสงบขี้เกียจขี้คล้านเนี่ยให้คนกวาพิจารณากายคนอยู่ในกายเนี่ยผมคนเล็บปันหนังอะไรเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้จิตทํางานไม่ให้มันติดเฉยหลวงปู่มั่นสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอย่าให้เฉยพอเราหมดเวลาพุโทโธพิจารณากายแล้วออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจของเราเป็นแค่คนดู ที่คุณฝึกอยู่ดีนะดีแล้วร่างกายเคลื่อนไหวใจเพื่อเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูใจเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆดีฝึกได้ดีมาสการมากี่คนละ่ะมากันกี่คนทีมนี้ใช่ไหมเอาคุณอนะฝึกได้ดีแล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้ค่ะเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็เห็นว่า อยากนั่งสมาธิแต่ว่าก็ขี้เกียจก็ลเลยนอนภาวนาพุโทโธแล้วก็ดูตัวเผออย่างนี้ใช้ได้ไหมเจ้าค่ะใช้ไม่ได้นะตัวอื่นเนี่ยเกิดขึ้นมารู้ลูกเดียวได้ตัวตัวขี้เกียจไม่ได้นะตัวขี้เกียจเวลาเราสมมติเรารู้ว่าขี้เกียจแล้วเราก็ไปนอนดูเนี่ยใจจะอ่อนแอใจิตใจที่อ่อนแอนะีะคข้าพบคข้าชาตไม่ได้หรอกเพราะงั้นมันขี้เกียจมันขี้เกียจลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมานะ แล้วก็ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเนี่ยยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งตัวขี้เกียจเนี่ยตัวขี้เกียจแล้วอย่าไปขี้เกียจล้วก็เลยไปนอนดูใจจะอ่อนแอต้องลุกขึ้นมานะก็คือต้องฝืนขึ้นมาต้องฝืนขึ้นมาตัวอื่นไม่ต้องฝืนตัวอื่นตามรู้เอาตัวขี้เกียจนี่ต้องยกเว้นเลยแล้วตัวนี้พาล่มจมนะค่ะหลวงพ่อนะสมัยก่อนก็รับราชการทำงานนะ งานก็เครียดนะกลางวันงานหนักมากเลยอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดถ้านอนไม่พอเนี่ยนะบ่ายๆทำงานนี่จะเครียดเลยใช้สมองเยอะแต่กลางคืนเนี่ยฝึกตัวเองกลางคืนกินน้ำเยอะๆจะนอน่ะต้องตื่นมปฉี่บ่อยๆทุกครั้งที่ตื่นเนี่ยนะแล้วยังงัวงเงียงัวงเงียนี่นะจะไม่ยอมนอนต่ อ, อยวต้องนั่งดูไปเรื่อยๆ ถ้ามันไม่สว่างโรงรู้ตื่นขึ้นมานะไม่นอนต่อนี่ฝึกตัวเองอย่างนี้แล้วไม่ไปเดินด้วยนี่นั่งนะนั่งเพราะอะไรตอนนั่งอยู่เนี่ยมันงัวงเงียง่ายถ้าเราลุกเดินเดี๋ยวมันหายงัวงเงียเร็วนี่ฝึกอย่างอย่างเข้มแข็งนะถึงไม่ได้ไปเดินทุดดงสู้เสือสู้ช้างแต่สู้กับกิเลสนี่ไม่ยอมถอยเลยอาจารย์ถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดโมหะไหมคะเราก็จะง่วงซุม มันจะเกิดแรกๆต่อไปกิเลสมันจะกลัวเราพอเราตื่นปุ๊บมันจะสว่างจ้าเลยมันกลัวว่าเรามัวมัๆแล้วเรานั่งนานมันจะฉลาดอย่างนั้นเลยโอ๊ยมันฉลาดอย่าไปคิดจะหลอกกิเลสไม่มีวันหลอกกิเลสมีแต่ถูกกิเลสหลอกกิเลสนะฉลาดสุดๆเลยเราคิดอะไรนะมันฉลาดกว่าเราชั้นหนึ่งตลอดเลยเพราะงั้นกิเลสเนี่ยสู้ด้วยความฉลาดไม่ได้สู้ด้วยสติ ตามรู้มันลงไปมันเป็นยังไงรู้มันลูกเดียวเลยมันจะสอนอะไรอย่าเชื่อมันนะมันสอนเก่งนะอย่างสมมติว่าเราตื่นมากลางคืนนี่มันจะสอนเราเลยนอนเถอะต้องทางสายกลางนะ <c oughs> มากไปไม่ดีเราพุทธเจ้าห้ามเนี่ยสอนอย่างนี้นะหรือเราภาวนาเวลาเราจะหักหนันดูดเดือดแตกหักอะไรขึ้นมาสักทีนีกเิเลสจะสอนเราเลยเลิกเถอะเลิก ถอยออกมาลุกขึ้นไปนะมาอยู่ในโลกอย่างนี้แหละไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติหรอกข้ามภพข้ามชาติเนี่ยสู้ต่อไปนี้นะไม่บ้าก็ตายแนละ้วสอนอย่างนี้นะบ้าตายไม่เป็นไรนะเนีย่ยสอนนะแต่ถ้าบ้าเนี่ยเป็นภาระคนอื่นนะนี่สอนขนาดนี้นะเชื่อมันนะเชื่อแล้วตายเลยแล้ว อ, อย่าไปคิดหลอกมันนะพวกหลอกกิเลสมีเช่นใจไปติดเพ่งๆไว้แกล้งทําเผลอแกล้งทําเผลอ แต่ก็ยังเพ่งอยู่อย่างนั้นกิเลสเนี่ยหลอกไม่ได้จําไว้นะมีแต่กิเลสหลอกเราฉลาดสุดๆเลยมกกรดกครับสงสัยอยู่อย่างหนึงครับว่าเวลาเราขำหรือหัวเราะเนี่ยจะไปรู้ว่าเราขำหรือหัวเราะอันนี้อันนี้ใช้ดูเป็ใช้ไม่ได้ไไดที่คุณสุเมธทำํำตอนนี้ยจงใจรู้มันผิดที่จงใจนั้นขำก็ขำไปนะไม่ใช่พระละหาันห้ามยิ้มห้ามหัวเราะนะไม่ใช่คนพิการนี่ แล้วขำ ม, มันเป็นกิเลสหรือเปล่าครับมันเป็นโมหะหรือเป็นราคะหรือเปล่าครับขำเนี่ยนะเป็นธรรมดาแต่ว่ายินดีพอใจเนี่ยกิเลสนะแกล้งไม่ขำก็กิเลสนะตรกลงขำนี่เป็นเรื่องปกตินะครับ<อ>ขำบ่อยนะครับขำได้ไม่เป็นไรปล่อยมันขำไปาะอะไรเพราะว่าจิตของเราตอนนี้ยังขำอยู่ถ้าเดินจิตไป ถึงจุดหนึ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าขำในโลกนี้มีแต่ของหน้าสลดสังเวชเลยพอเลยตรงนี้ไปในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีกระทั่งความน่าสลดสังเวชอีกนะงั้นมีธุระจะยิ้มก็ยิ้มไปจะหัวเราะก็หัวเราะไปเพื่อเอื้อเฟื้อคนที่เราคุยด้วยถ้าเราทั้งทำหน้าอย่างนี้สอนธรรมะมนานๆพูดคำหนึ่ง เนี่ยคนก็ไปหมดเลยบางทีมันดูเหมือนไม่สำรวมมันเหมือนลอกแรกเกินไปไม่ต้องสำรวมสำรวมเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่ยิ้มไม่หัวเราะสำรวมหมายถึงมีสติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันนี่เรียกว่าสำรวมสำรวมไม่ใช่แกล้งขลึมการแกล้งขลิมเนี่ยทำไปด้วยทิฏฐิ แกล้คลุมเนี่ยทำไปด้วยทิฏฐิน ะ, ะมีความเห็นว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้รู้สึกไหมครูบาอาจารย์บางทีท่านหัวเราะนะบางทีหัวเราะหลอกเรานะหลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่งเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์นะโอ้โหจิตนี่เปลียวสุดๆองหนึ่งเลยไม่รู้จักท่านหดอก ไ, ไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมเรไปถึงนะค่ำแล้วสักสองทุ่มแนะมีพระมาดักอยู่หน้าวัด พรหนุ่มหนุมบอกวันนี้อาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยบอกไม่ไปไม่รู้จักจะมาหาอาจารย์ทองอินเดี๋ยแล้วไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะจนดึกเลยออกมาโอ้หนาวจัดพ้ายังเฝ้าอยู่อีกอเฝ้าอยู่บอกไปหน่อยหนะ้าอ้อนวอนเรานะโอ้เราไม่อยากไปเลยเราไม่รู้จักเสียอ้อนวอนไม่ได้นะก็ไปกับท่านขึ้นไปโดนอาจาร์บุญจันทร์ตะคอกออกภาวนายังไง แก้กรรมาฐานให้เราไม่รู้จักเลยนะอยู่เรียกตัวไปเสร็จแล้วพอเราเข้าใจนะจิตวางหลุดพบออกมาท่านหัวเราะนะพอท่านหัวเราะเราก็หัวเราะบ้างสออิพอท่านไม่หัวเราะท่านสํารวมเราก็ทําสํารวมบ้างท่านหัวเราะเราก็ฮ่าฮ่าตามท่านไปเลยนะท่านหัวเราะดังเลยนะหัวเราะฮ่าฮเลยพอเราหัวเราะปุ๊บนะหันมามองหน้าเลยเราก็หยุดพบใจเราก็เรียบไม่มีอะไรไม่ได้กระเพื่มเนี่ย ฉันบอกอย่างนี้ใช้ได้ไปได้ละแกล้งหัวล้อนะหัวล้อเพื่ออนุเคราะห์แล้วไงอีกจะถามแต่เรื่องนี้นรือไม่หลวงพ่อแนะนำไม่หลวงพ่อแนะนำเรื่องอื่นลอกเปลือกตัวเองเออกมาให้ตัวจริงมันโผล่ขึ้นมาถือศีลห้าไว้นะช่วงหลังๆพอศึกมาหลายวันเนี่ยเริ่มมีตัวปลอมเป็นผู้นําหมู่ผู้นําคณะก็สํารวมเรียบร้อยเป็นลิงไปเลย มนเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่แกล้งนะไม่แกล้งมันคือวาสนาวาสนาเนี้ยแก้ไม่ได้ไม่ต้องแก้พระอรหันต์แต่ละองค์ก็มีวาสนาของตัวเองไม่ต้องแก้เพราะงั้นไม่ต้องแกล้งทาซึมการแกล้งทําซึมแกล้งทําสํารวมไม่ได้ช่วยให้บรรลุมรรคผลอะไรแต่การสํารวมอินทรีย์จําเป็นมากเลยต่อการบรรลุมรรคผลสารวมอินทรีย์ไม่ใช่การแกล้งสํารวมไม่ใช่ไม่มองไม่ใช่ไม่ฟัง ไ ม, ไม่ใช่ไม่ดมกลิ่นไม่ใช่ไม่รู้รสสำรวมยินรียก็คือเมื่อกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันไม่ใช่แกล้งไม่กระทบเคยมีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่คำพันเคย ร, รู้จักไหมอยู่วัดธาตุมหาชัยที่ปราปากลูกศิษย์หลวงปู่เสาลูกศิษย์ของท่านนั้นไปภาวนากันพรรษาหนึ่งก็กลับมาบอกว่าพรรษานี้สำรวมในรส เวลาบินทบาทได้อาหารมานะเอาน้ำร้อนเทใส่ล้างนะให้รสชาติจืดชืดหมดเลยแล้วก็ฉันอาหารที่จืดชืดนี้นี่ปฏิบัติอย่างนี้ภูมิใจได้สำรวมท่านบอกทำไมยุ่งยากอย่างนั้นเปลืองน้ำร้อนเอาน้าร้อนลาดลิ้นก็พอแล้ะ <c oughs> เ, เอาน้ำร้อนลาดลิ้นเข้าไปเลยนี่สำรวมแบบไม่ฉลาดใช่ไหมสำรวมไม่ใช่ว่าไม่รู้รส สํารวมไม่ใช่ไม่รู้สัมผัสทางกายถ้าไม่รู้สัมผัสทางกายแล้วบรรลุง่ายพวกเป็นโรคเรื้อนจะบรรลุก่อนสํารวมทางตาด้วยกันไม่เห็นแล้วบรรลุง่ายคนตาบอดก็จะบรรลุก่อนสํารวมทางหูก็พวกหูหนวกจะบรรลุก่อนไม่ใช่สํารวมหรือไม่สํารวมอยู่ที่มีสุติรู้ทันจิตของตนเองไหมเมื่อมีการกระทบอารมณ์นะงั้นไม่แกล้งนะปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยตัวเองที่แท้จริงออกมาแต่มีศีลห้า เพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนน่าเกลียดสุดๆเลยต้องมีศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้านะมันจะอุบาทนะมันจะไปรังแกคนอื่นนะแต่ละคนร้ายจริงๆไม่ได้แกล้งว่าหลวงพ่อก็ร้ายหลวงพ่อแต่ก่อนนะชี้โมโหโทสะมากหลวงพ่อครับบางทีแบบพอปลดปล่อยมากแล้วมันเห็นตัวเองน่าเกลียดมากเกินไปนนมันรู้สึกมันรู้สึกขัดขัดออใจมากแล้วไม่ค่อยได้ครับ อ, อยากให้คนนับถือไหม ต้องแบบไม่นับถือก็อย่านับถือสินี่เราอยากดูว่าจริงๆเป็นไงถ้าเราออกแรงกดสักนิดหนึ่งเนี่ยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วตัวจริงมันจะไม่โปรยกิเลสจะไม่แสดงขึ้นมาให้ดูเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วตัวจริงมันแสดงขึ้นมาเราจะได้รู้ทันนี่ราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นทันทีที่อนุสัยทํางานขึ้นมาเนี่ย<ห>พอเราเห็นทันเนี่ยกิเลสจะขาด ต้องใจถึงถึงยอมเป็นคนเลวให้ตัวเองดูให้เห็นชัดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ๆช่ไม่ใช่ยอมเป็นคนเลวยอมดูความจริงของตัวเอง <c oughs> นะไม่ใช่ยอมเป็นคนเลวนะแต่โมงละนะเชิญไปทานข้าว